ยอมให้มาถามย้อนนิดจึงว่าอานิสงส์จริงๆที่ถวายเมนพระสุนโธมเนี่ย<จ>เกันอย่างไรอานิสงส์ถวายเมนเขาได้เจ้าเทพว่วที่ไหนก็ไม่รู้นึกไม่ออกเอาฉาบับท้าซุ่มแล้วกันครับอเออยดีมากครับวลาถ้าจะบับท่าซุ่มเนี่ยเมนเนี่ยเป็นเครื่องกําจัดความทุกข์สำหรับญาติโยมที่เป็นยมภาพใช่ไหมกราบแล้วก็ถ้าเราถวายเมน อันนี้สงมันก็ได้สงแต่การอะไรบางครับแต่บริการแรกได้สวรรค์สวรรค์บรยการนี้สงได้นิพพานเมเนี่ยเหรอใช่อันนี้เป็นจริงๆนะครับยังยังอธิบายนิดเพราะว่าต้องใช้กําลังใจถูกแต่การแรกที่ว่าได้สวรรค์คือได้กามาวจรเนี่ยนะครับดังนี้ก็แปลว่าถ้าคนที่เขาต้องตายขึ้นมา แล้วโดยพ่ออย่างยิ่งเจ้าภาพเพียงหลักที่สุดใช่ไหมทร า, ทาทบารับสำหรับไอที่เผาศพบ้างลงเผาสําหรับใส่ศพบ้างแต่ความจริงทําบุญได้ไหมนี่ก็ควรจะทําบุญได้ลงเผาศพด้วยต้องมีลงด้วยใช่ไม่งั้นเผาได้ไงไอยอมว่าไงเยอมยยังไม่ว่าทราสคบยังเหนื่อยอยู่<อ>ดีไม่ดีประเดี๋ยวโมโหโ อ, อ้าวทำไมอ่ะกรอดเถอะพี่รกรอดลับซื้อลงมาไล่ลูกเลยเอาลงก็มือเลยขี้โมโหเนี่ย โอ้ไม่ได้ยาวยาวยาวยาว <c oughs> ยาวงคโมโหยังคงโมโหยังคงน้อยยังคงน้อยครับเพราะว่าเมนี่เป็นให้เป็นการให้ความสุขให้ความสะดวกใช่ไหมครับเชื่อถ้าหากว่าเราทําอะไรให้ความสะดวกกับคนอื่น่ะอาการจะสร้างเมนได้ต้องอาศัยเหตุสี่รายกา ร, ค, รคือหนึ่งเมตตาความรักครับถ้าไม่มีจิตเมตตา ไอ้เมเนี่ยราคาไม่ใช่บาทสองบาทแตมันเป็นหมื่นเะป็นแสนนะโอ้แพงเลยอย่าลืมนะเงินจํานวนนี้กว่าราจะหาได้มันก็แสนยากใช่ไหมไอ้การจะเสียสละเงินเป็นหมื่นเป็นแสนนี่จิตต้องประกอบด้วยศรัทธาศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างหนึ่งมีจิตเมตตาคือความรักในบุคคลผู้มีความทุกข์อย่างหนึ่งนะคราบสองต้องมีกรุณาความสงสารถ้าไม่สงสารแล้วก็สร้างเมย์ให้ไม่ได้ใช่ไหม ลงทุนมากเพราะสงสารแม้วเขาจะมีความทุกข์ต้องไปหาเมนที่ไหนมาตั้งเดรคาลอนะยวางนี้สี่พันห้าพันเขาไม่เอาแล้ว<อ>ต้องถึงเป็นหมื่นแล้วเมญเดรคาลอย่าวนะี้แล้วก็เวกามีสามมุขตามีจิตอ่อนโยนคือไม่ฉาดิสยาคนที่ใช้เมนเผาศก จะไม่นึกว่าไอ้น pues <bu> ี่กูลงทุนนี่หว่าถ้ามึงมาใช้เฉยๆนี่มันจะคิดอย่างนั้นครับครับรอยินดีในความดีที่เขามีความกตัญญูตเวทีแต่ถ้าโบใจใช่ไหมครับครับแล้วก็สี่เบขาถ้าบังเอิญเป็นมัใช่ชอบช้ำไปบ้างชนุดไปบ้างอะไรบ้างก็ทําใจวางเฉยไม่โกรธคนที่ทรงพรมีหานี่อย่างนี้ตามโบติถ้ามีอารมณ์อย่างอ่อนพระพุทธเจ้าจะว่ตายแล้วไปสวรรค์ ถ้ามีกําลังใจอย่างกลางตายจากความเป็นคนก็ไปเป็นมลมลมครับตอนนี้ถ้าววาใช้วิปัสสนาใหญา่ควบคุมด้วยว่าคนที่ต้องมาถูกเผาที่เมฆเราหนึ่งเขามีชีวิตเช่นเราใช่ไหมครับ<า>เกิดมาแล้วเป็นเด็ดเท่าเราเป็นผู้ใหญ่เท่าเราแก่เท่าเราแล้วก็ตายเหมือนกันเหมือนกันก็ทืกว่าไอ้ชีวิตร่างกายของคนนี่มันเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ สองทุกขังไม่อยู่ก็มีแต่ความทรมานในที่สุดร่างกายก็ตายตามที่พระเจ้าตรัสว่าเตสังมูปสมโมสุโขคนเราเท่าไม่เกิดมามีร่างกายขึ้นมาใดเราก็หมดทุกข์ถ้ายังมีร่างกายก็หมดทุกข์จิต ก, ก็เลยตัดสุขส่วนที่เป็นโลภีวิสัยตั้งใจปฏิพันธ์ยังไม่ปฏิพันธ์เลย ย, ย, ย่ัพยศเนี่ยยอพยศยัพยศเป็นยังไงครับเป็นเพื่องกันไม่จัดเลยยศไหนอะ ยดลูกชายคุณน่ะเอ้ยทกสายพัเายศแล้วคุณพ่อเอาฉบับลุงพ่อดีกว่าฉบับเลยฉหับจะได้เป็นมาตรฐานใอ้ไม่คนนม่เข้ากลับน้องลูกเข้าดิก็ใชได้ว่าพยศต่เป็นอย่างนี้นะพระยศเนี่ยท่านเป็นสัพเพรสาทรณะอ้จะไม่ก่อนที่อาจารย์ตายเนี่ยลอยน้ำไปแล้วพระยศไปเผาให้เมืงเสียงเลยอาจารย์ไหนเ่ะที่นั่งเนี่ยผมเนี่ยเหรอให้ เขาตายแล้วเหรอไม่ได้เลยโอ้อาจจะใช่อาจจะใช่ใช<อ>่ครับแต่ความจริงไม่ใช่นี่ก็หกฉบับ น, นะอ่ะ <laughs> าไม่เนี่ยหลวงพ่ออายุก่อนเนี่ย <laughs> โอ้พยศตายลอยน้ำนะํำเหรอใช่พยศตายเขาตื่นตายเหรอแน่ <c oughs> ไปแช่งเดนนะยยไปยศแทนไปผ่ารหัสนะโอ้ขอภยัยขอใครจโทษนะ แ, แต่ความจริงสมัยก่อนโนนพยศกับเพื่อนอีฆ่าที่ผ่าคนกราบ ท่านเป็นสัพเพรสาธารณะใช่ไหมปาดหมายความว่าถ้าใครตายขึ้นมาถ้าไม่มีทุนหรือไม่มีญาติให้ฤทธิ์จัดการเผาให้โดยไม่คิดเงินมีคิดทองใช่ไหมเป็นแบบนี้อยู่ตลอดมาวันหนึ่งก็ปรากฏมีศสพสตรีที่กำลังตั้งคันลอยน้ำมาพระอยู่ ใ, ใกล้บ้า น, ใ, นใกล้เขตของท่านปาดก็มีคนเข้ามแจ้งบอกนี่คุณยศ สาษาอังกฤษระยะสักระยสะสักรยะสรรักระไทยเราอนาฮะฮะาุญาเวลานาาีาา้มีศพผู้หญิงลอยมาท่าอยู่ ใ, ใกล้ๆบ้านเราเอาไปเผาสักที่ไพ่กับพวกกับเราประกายที่อยู่ ใ, ใกล้ๆกันก็พากันยกศพไปเผาเฉยๆกรอนครับพอทําการเผาฟืนใส่ตามที่ฝนมาถ้าฟืนใช้ขนาดนี้ผมต้องเออกระสุนตัวใหม่หมดใช่ไหม าแม่ต่างคนต่างกลับมามาบ้านทบบ่านกำลังกินข้าวอยู่เพราร้อยกว่าฟืนหมดไฟไหม้ฟืนหมดแต่ศพไม่ไหม้จะใบเขาบอกยศศพที่เธอเผาแตนะ่มันไม่ไหม้นะเขาไปดูใหม่เห็นศพไม่ไหม้ถึงนก็นเลยบอกเออทําไงดีก็เอาไม้มาเสียมให้แหลมแทงศพแทงศพให้น้ํามันไหลออกมาเพรามันลอยไปในน้ําขึ้นอินน้ํามาก ไอ้น้ำในร่างกายไหลออกมามันก็ไม่ไหลามาจากน้ำไอ้น้ำเลือดตั้งเหนืองก็ไหลามาด้วยแต่ก็นั่งมองดูว่าไอ้ร่างกายของคนมาสุกกระบอกอย่างนี้นะเข า, าเกิดธรรมสังเวชเห็นร่างกายเรานั้นไม่ดีเลยสุกกรบกแบบนี้เพรผู้หญิงคนนี้สมัยเมื่อเธอเป็นมนุษย์ก็มีสภาพเหมือนเร า, ราไอ้คอสุกกระบอกก็ไหลแล้ว น, นี่มันปกติวัหลังกระพร้ามองไม่เห็นใช่มไหม ถ้าเกิดนี้คือทายายความเบื่อหน่ายในร่างกายครับป้าใบก็บอกพ่ตามแม่ยายพอ่อตัวแม่ตัวแล้วก็พันยาให้ไปดูคนนั้นไปเห็นเข้าว่าเกิดอาการรังเกียจร่างกายเหมือนกันต่อมาก็ประจะทิ้งผู้อีกท่าทิ้้าคนท่าไปดูว่าเกิดมีอาการรังเกียจในร่างกายเหมือนกันแค่ว่ารังเกียจมีความรู้สึกว่าร่างกายเราร่างกายของอืน่นสุกับกแบบนี้แต่ว่าในสมัยนั้นก็ยังไม่มีผลอะไรมาก อาศัยจิตที่เป็นมหากุศลนหรือว่าอจิตที่เป็นกุศลนนะคราบครบก็มีจิตเมตตาเหมันดับยุติลงนะเจว๋วมีจิตเมตตาก็เพื่อที่เรียกว่าศพเขามเผาเมนเราไม่ว่าเราชอบใจคราบในกระเพราศพทีไรก็ไม่เคยรังเกียจบ้านนี้มันก็มีเงินมีทองไปจัดจ่าเทศซอยบ้างแล้วก็เวลาตายไม่มีเงินเผ า, าเราต้องเผาปีถ้าไม่เคยคิด อ, อย่างนั้น มีแตั้งใจสงเคราะห์ด้วยความเต็มใจอาศัยเมตตากรุณาสอ ง, องของสองจุดนี้กราบทั้งหมดตายแ ล, วล้วไปเกิดบนสวรรค์เั้นดาวดึงนะคราบหลังจากนั้นเมื่อพระเจ้าทรงบรรลุอวิเศษส ม, ษสมษาธิวิญญาณพวกนี้ก็มาเกิดไล่ไล่พระพุทธเจ้าอ๋อพอฟังเทศเจพระพุทธเจ้าโดยอนุสิกุกคาครั้งเดียวเป็นประตูดาบันอนฟังสามีครั้งเปราหันเลยใช่ไหม น, นี่อานิสงให้เมนเผาสดถ้าเราพิจารณาสดเราจภาพนี้ด้วยว่าเดนที่เราเผาคนเนี่ยคนนี่มีสภาพเหมือนเราแต่เนื้อแท้จริงร่างกายของคนก็มีความสกปรกด้วยธรรมชาติภาวนาแต่เห็นว่าร่างกายของคนนี้เป็นอธิแจงไม่เที่ยงทุกขังทรงตัวอยู่เป็นทุกขณาตาในสุดตายไปหมดทั้งหมดอันนี้เป็นวิวัติษายาน ถ้าคนทุกคนแม้แต่โยมเต๋อที่สร้างเมงก็ดีญาติโยมทั้งหมดที่ไปเผาศพก็ดีมีความรู้สึกอย่างนี้ทุกคนตายแล้วก็ดีผ่านหมดโอ้แต่ขอโทษแต่นะถ้าใครอยไปไปที่หลังฉันทั้งปก็ได้นะทำไมล่ะครับไปก่อนฉันควเข้าเีาทั้งหมดเนี่ยโอเอพอพ่อออกไปิดรอบครอบดีนะรอบจ้าโทษไอ้คนน่ะทำไมเห็นแก่ตัวอย่างนี้หมาที่ไหนอ่ะนี่หน้าหลังมีหมาใจสุดนี่ยแต่หมาก็ทต้อบังไม่อยังไม่ยอมเห็น เออจะมีอะไรเขาไม่ม<ล>ีปัญหาอะไรแล้วก็อย่างก็คนที่เขาไม่ได้เป็นเจ้าภ า, าพเจ้าเพิ่มอะไรเงี้ยนะใช่ช่วยกันคนละหาบาทติบาทที่เขาโมทนาร่วมด้วยนี่เขาเขาจะมีส่วนก็ได้นในประการใดต้องมีได้เขาเรียก ว, ว่าปัตตานโมทนาไม่ร่วมทานเนี่ยมไม่ใช่ป<อ>ัตตานโมทนาใหม่ร่วมด้วยมีผลเหมือนกันออถ้าหัวหน้าไปนิ่พันได้คนที่ติดตามก็ปฏิพานได้เหมือนกัน นะก็เรียกวริวาเนี่ยบริวาบริวาเนี่ไม่ใช่ผู้ ร, ร, รับใช้คือว่าเป็นผู้ที่ทำร่วมกันใช่ไหมแล้วส่วนคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่มีโอกาสทำแต่โมทนากับคุยงทั้งสองไอน้นี่ยหาจินฟีกำลอยเฉยอ่ะแบบนี้เหรอใช่เอ้ะสมัยปรีมว้าวปัดตาลนโมสนาไหม่มันก็ได้เขาไม่กันนะ่ะ ปัสวะไปเอา<ม>เอาบุญมาเอาขีเกียจขี้เกียจให้สตางค์แต่เอาบุญด้วยใช่ไหมจา้จาจ้าอันนีดีมากแล้ว ก, ก็มีอะไรปัญหาเวลาขึ้นไปเผาผีตบบนเชิญตะกอนยกโทษจะวางทำปากขมุกขมิ่งไม่ทราบว่าเขากล่าวว่าอย่างไรขอให้หลวงพ่อช่วยที่แจงด้วยเจ้ค่ะนี่นั่นเนี่ยก็แช่งคนตายอ้าวแล้วกัน เขอกเขาิดหน้าเหรอใช่แต่ผมไตหาไปที่ชอบติดชอบแต่วยใช่ใครก็ไม่รู้เขาว่าไงว่าตำบาวมือบีบเพราะจริงไม่จําเป็นต้องทาปากหมุดบีดนี่ครับครับนะทํายังไงจะดีครับเมื่อก่อนทําปากเขาบก็มีการทำตามกันมาอออย่างคนแก่สมัยก่อนยังเป็เด็กๆก็เอาไม่กันเขาว่ากังไงไม่รู้ไม่รู้เขาว่าไงดิ ยหูยาตายาเขายกทุกขิงมาบอกมความบาตัวนึ่งไอ้แล้วก็มุกมีมมุไม่รูอะไรพามุกไม่ต่างเขากันนะทำบาปมุจะไม่รูกว่าอะไรแต่เนื้อแท้จริงๆเลต้องมึกอย่างที่พระปังสกุลอาจารย์จาได้มอานิจจาวัดแสงฆราสังขายทั้งหลายไม่เที่ยงหนอคือไม่ต้องทำบามมนมิกลึกในใจ พราร่างกายเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปจากเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวจากผู้สาวเป็นไปแต่คนคนแก่มันเสื่อมใช่ไหมครับ<ะ>และในที่สุดมันก็ตายไปลงท้ายว่าเตสังบูปสมโมสุโ ข, ขตามที่พระอินท่์กล่าใสมัยพุะเจ้นานิพพาน อมีใจคิดว่าถ้าเราเข้าไปสงบกายก็ได้มันเป็นสุขกหม้ยความว่าถ้าเราไม่มีร่างกายอย่างนี้เราจะไม่มีทุกข์อย่างนี้ไม่ต้องเผานี้เราเป็นสุขคือปฏิปันปธ์นอเราคิดอย่างนี้ น, นะคราบแล้วย่าโยมีทําปากโมกีปุ่มมีเป็นรั่งแช่งเขา้คนนั้นเนตายโหงไายห่ า, หาหแบบนี้คนนี้ตายโหงไายห่าหแบบนั้นนันลงนรกแลนะ้วน่ะคนแช่งลงนรกเหรอใช่โอ้โหหมเผาผี่ลำบากก็ถ้าไม่เชื่อนะอาจารย์ลองแช่งชาวบ้านเราตัวติ แล้วก็ลองตายดูแล้วก็จะก็ได้ไปในรกถ้าไม่ได้ไปให้มาต่อว่าฉันเอเด็กยังเล็กอยู่ครับผมเป็น <c oughs> เด็กนะเป็นห่วงเด็กเ็ห่วงเด็กอ่านี่เขาบอกว่าข้างหลังไม่ค่อยได้ยินเลยกรุณาหน่อยโซค่ า, าเอเ<ช>ขาจะทำไงฉันก็จะโกนเต็นพี่แล้วนะเอนั่งแหสิเห็นใจเหมือนกะันเอเอาละ่ะเครื่องมันก็ดังทะเบยนโยมครับนอนนะแต่ถ้าถ้าไม่คุยกัน่าได้ยินนะ โอ้เพราะเคยเทศเขาได้ยินนี่หลวงพ่อเคยบอกว่า<ม>เวลาพระบรรยายแสดงหรือเทศธรรมถ้ามีการคุยซุกซิกนินทาแข่งกับพระว่าตายแล้วจะลงข้างล่างจริงไหมคะไม่ไปจริงเลยไอ้ลงข้างล่างเลยลงไป่สุนทราฮะออกข้างล่างเอาไม่ได้ไหมมันล่างไหนแน่ลงข้างล่างไม่ได้สุนทราข้างล่าง อ่ก็บอกตายแล้วลงนรกไปเสด็จลงข้างล่างทีก็บอกข้างหลังขนสายเขาจะหมายว<อ>่าลงนรกนะก็อนนั่นน่ะทีจะทั้งข้างล่างเลยไม่ได้ครับมีหลายล่างไม่ลงข้างล่างแต่ลงนรกท<อ>ราบทราบจริงจริงไม่ทับที่ว่าะจริงถ้าไม่จริงถ้าไม่แน่ใจนะอาจารย์รองรียนทางเขาต้องลองตายเดี๋ยวนี่ย เอเห็นเมรุตั้งใหม่ไห้แช่ในตายเลยแช <l acht> ่ในตายเป็นการี่สุดน์ไงนะเมรุเขาฟรีนะเด็กโยมเต๋อไปสบงไปเลยให้เลยอ๋อเป็นสั<อ>จย์ระทนะใช่พร่ปรุณาสุขเลยกนการไหนพอดีเลยการที่เราฝันถึงคนตายบ่อยๆแสดงว่าเขาคิดถึงเราใช่ไหมคะแล้วทำอย่างไรจะให้หายที่ถึง ตอบมีเกลียวถามเกลียวแน่ใจทราบทราบสงสัยเลยครับอาจจะมาเคยตายมาก็จําไม่ได้อพราะไคนนี้ก็ปันที่เราเรานึกถึงเขาเปล่าจาไม่ได้อต้องทบทวนต้องทบทวนนะครับครั้นถ้าโยมีถามให้เพื่อความแน่ใจเนี่ก็ลองตายไปดูเอาอยู่แล้วให้ฉลองเมีอยู่เลยแล้วก็ เราใครก็ฝันถึงเราก็ไปถามที่ว่าเราจะได้รู้ว่าเราต้ถึงแล้วหรือเปล่าเดี๋ยเมื่อกี้ถามอ่งไงเนะี <c> ่ย <oughs> ลืมอล้วการที่เราฝันเห็นคนตายแสดงว่าคนตายคิดถึงเราใช่ไหมคะจะสงสัยฮะสงสัยจะแฟนตายไอ้การคิดถึงนี่มันมีสองแบบสองคิดนะฮะสองคิด อะไรบ้างครังพ่อครับคอคนที่เรารักเขาเขารักเราตายเขาคิดถึงเราด้วยกำไลความรักอบางทีถ้าคนนี้ตายเป็นเจ้าหนี้เราเขาคิดอยากคิดถึงเราอย่างตัวนี้นะอาจจะจริงงั้นไอมอัหลังหนักเพราะว่าถ้าผู้ตามความจริงนะครับคนตายทุกคนเนี่ยเขาตายไปแล้วที่คิดถึงคิดถึงคนเดียวไม่ตายเหมือนกันหมดสราป่ะ เราเห็นว่าสภาพของบุคคลที่ตายไปแล้วถ้าไม่เกินมิสัยที่เขาจะมาได้ถ้าไปตายแดนนี้แดใดไกลที่จะมาบ้านทันทีนะครับยกตัวอย่างอย่างท่านคนโทสมันมีรัติยะอ๋อจราจรตำรวจนะตำรวจพนาทงารเดี๋ยวนี้เป็นอะไรทหน้าของจราจรตำรวจไม่ใช่แล้วก็เกียนไปแล้ว ออกเกษีแล้วเหรอฮะพระรามามคนพละรามพระรามเออท่านคนนี้ในสมัยสงครามโลกครั้งทีสองท่านไปรบด้านเชียนชงใช่ไหมราบลาบแล้วก็เป็นไข้หมอสายหายไม่ได้ท่านก็เลยตายนะมโหมอบอ๋อมีอย่างนี้ทั่วไปคนเรานเนาะมาโหมาโหมว่าตามไม่หายก็ตายอ๋อเมื่อตายก็าว่านำไปท่องเจ็บศพ ใช่ไหมครับท่านลอยฟังบอกว่าก็คุยจะหลายปีแล้วสิบปีกว่านะั้นท่านบอกว่าขณะที่จิตมันออกจากร่างอมันไม่ใช่จิตมันเป็นตัวคนออมันก็มีความรู้สึกว่า น, นี่เราแล้วก็มองด้วยตัวที่ตายก็รู้นั้นร่างกายเดิมของเราอแล้วไปถามได้ว่ามีความรู้สึกเสียดายร่างกายเดิมไหมท่านบอกไม่มีไม่มีนักเสียดายเลย นะคราบนอกจกไม่นึกขึ้นด้ที่ร่างกายขนาดที่มันป่วยกระสุดโซมมากใช่ไหมต้าถ้าเกิดมีอารมณ์ดังเกียรร่างกายเดียวนีเหมือนกับผ้าขีริ้วไปจากไหมขี่ริ้ ว, ว, วเ้ผ้าริ้วผ้ากระเช็ดพื้นอ่ะโีริ้วนะี่หมายถ้ามันเลวเต็มทีจะล้วทังปุกทั้งทั้งสุกบรณนะครับต้าซึ่งเราไม่อยากจะหยุบที่สุกบรเราไม่อยากมันหยชั้นใดร่างกายก็มีสภาพแบบนั้น ใช่ไหมครา บ, ค, รบความรู้สึกในการเห็นร่างกายมีสภาพแบบนั้นให้เรกับกษาอะไรในเมื่อร่างกายนั้นมันลุกขึ้มนมาไม่ได้เราก็ไม่ต้องการมันตอนนี้ทหารนี่ยต้องมีระเบียบทีนไหนใช่ไหมคราบใครจะไปไหนก็ต้องบอกกุ้งข้าบัญชาแต่เวลาทหารพวข้าบัญชาคนนั้นบ้างคนนี้บ้างไปพูดกับใครก็ไม่เปใครก็พูดด้วยอ๋อใครจะพูดอะไรผีก็ไม่เห็นหน่ะอ๋อ พอสุดเลยหาเพื่อนเพื่อนก็ไม่พูดด้วยหาใครก็ไม่ใครพูดด้วยแต่เราเลยคิดในใจว่าเออสมัยนั้นถ้าไปร้อยโทนะครับไปคิดในใจว่าดีแล้วไม่มีใครพูดกับเราก็ดีล้วเราจะไปกรุงเทพไปหาเมียห า, หาลูกที่บ้านดีกว่าอ๋อพอคิดจากนั้นแล้วท่านก็นออกจากที่นั่นทั้งบอกเดินมาเร็วจริงๆร่างกายที่มันเบามากน้ำหนักิดเดียวก็ไม่มีครับกะว่าพอมาได้ครึ่งทาง ใช้เวลาไม่เยอะสักสิบนาทีนะไปถึงนะฮะเพิ่งทางจะถึงกรุเทพก็ดียินเสียงคนเรียกข้างหลังทราบล่ะ บ, บอกลูกสมานไปไหนล่วมาหาพ่อก่อนอ๋อถ้าเหลียวหลังไปดูถ้าบอกคนนั้นแต่งตัวเหมือนนายทหารโบราณเรารู้าหน้าตาดีนะทราบราบถ้าก็เลยก็ไปหาถ้าก็เลยบอกว่าถ้าคนนั้นบอกว่าพ่อมาคอยลูกอยู่ที่นี่จะไปไหนล่ะ ตามพ่อมาในเมื่อท่านตามไปแล้วก็แปลว่าท่านบุนนั้นนําท่านไปที่ตำแน่งขบวนใหญ่า ย, ายมใช่ไหมลาบตำแหน่งขบวนใหญ่า ย, ายมท่านเราพูดจะเหมือนกับเราพูดเราเราพูดพวกเราพูาพกันว่าเมีอาคารอยู่สามหลังในที่นั้นก็มีคนคอยการสอบสวนก็อยู่มากยิงเป็นกลุ่มๆกายิงคนที่คอยการสอบสวนเนี่ประมาณเป็นหมื่นๆคนนะไม่ใช่เป็นร้อยเป็นพันลาบ อันนี้ก็พิธานหลังกลางหลังใหญ่มากเขานาท่านเข้าไปผ่านม่านสารชั้นม่านชั้นแรกเป็นสีดําแข้งกันเลยเป็นเป็เงินอีก<ห>ชั้นเป็นทองเ<ห>ข้าไปในนั่นก็ปรากฏมีโต๊ะสามโต๊ะตั้งอยู่ครบ ห, หลางและโต๊ะข้างๆใช่ไหมหเหมือนกับที่เราเข้าใจกันพอเราไปถึงที่นั่นพญายมท่านก็นั่งอยู่ถ้าบอกที่แรกคิดว่าพญายมจะมีเขาไม่มีอ่ะก็เห็นเขาแสดงพรทรัต์มีพระรัตองคพญายมเหรอ อาจจะเป็นยมเดียวก็ได้แต่ว่าเม่มันมานานหลายสิบปีเขาอาจจะงอกใหไห <laughs> เขาอาจจะโผล่ใหม่ก็ได้นะคราบครับครตอน่า้นสวยสด ร, รามมากสีหนภาพเหมือนก็เทวาดาเล็ดดวปราบพอเข้าไปแล้วธรามพยายมก็บอกว่าลูกสมานที่พ่อให้มานี่เธอได้ยังไม่ถึงเวลาจะมาหรอกนะ แ้่ต้องการให้มาเพราะรู้ตามความเป็นจริงว่าตายแล้วนี่มีสภาพไม่สูนเอาประเดี๋ยวเล่าขําไปนิดหนึ่งครับคขับขณะที่ท่านเขาไปก็เจอในร้อยโทคนหนึ่งเป็นเพื่อนกันเรื่องตายไปก่อนอ๋อตายไปก่อนนะก็ว่ว่าได้พูดกันครับไปจะไปทักเขาก็มองแล้วก็เฉยเฉยไหมท่านปัญายงก็บอกว่าที่ตรงการมาเนี่ยต้องการให้รู้ความเป็นจริงอ๋อจึงเลยบอกว่าเอา้าโพเด็กๆพาเขาไปดูความเป็นจริงสิ ให้เ่าตามเข้าไปเข้าไปดูคนที่ตกนรกมันมีทุกขเวทนาขนาดไหนแล้วก็พาไปดูชาวสวรรค์ว่าชาวสวรรค์นี่มีความสุขมากไม่มีคนแก่ไม่มีเด็กมีแต่คนสาวสาวน ม, มทั้งหมดใช่ไหมมีแต่ความสวยสดสวยงาม น, น่ารักมีแต่ความเรื่อมเริงร<า>ได้เวลาท่านบัญญายมพ์ท่นานก็เรียกให้กลับมาถ้าผมไม่ตามถ้าบอกว่าอยู่นานแล้วก็ได้ไปเดี๋ยวเขาจะเผาร่างข้างบน แรง่าย น, นะมากคาัแล้วเขาก็เลยนํามาส่งพอนํามาส่งเข้าถึงที่พอท่านรู้สึกตัวกันมาท่านก็เห็นว่าไอไ้สายตาแสงก็มัดอยู่ใช่ไหมขยับมือขยับเท้าก็ไม่ได้ก็นึกใส่ใจว่าเอ๊ยถ้ากูจะทํายังไงนอนอยู่ในโรงโอลงลงไปแล้วเหรอเนี้โลงไปแล้วคืวอวตายตอนตอนเย็นกลับมาเช้าโอ้ใจรา้าวกลับมาเช้าเลยแล้วก็ท่านะา ก, าก็เลยบอกว่าไอ้ทหารรับใช้ คล้ายๆว่าคนที่มาส่งจะไปดนใจตาหนบใชัยแต่หับใช้ไม่มีความรู้สึกว่าเจ้าในพวกเราตายจริงแล้วไม่จริงกันไม่รู้สงสัยก็อาจจะไม่ตายออก็ย่องไปดูมันก็ไปเปิดโลงดูสมัยคือแย่น่ะรบเปิดโลงดูถ้าลืมตายไปต่างพูดด้ก็เคยมึงช่วยแก้มันกูทีแตว่ากูไม่ได้ตายโอดีนะไอ้ตาหั้ใช้หัวไม่โกรงบนตัวเลยนะดีไปดีเรื่องผีดิบหลอกกันที่นั่นแหะสิเข้าใจไหมเป็นผมก็เปิดแนบเลยอ่ะใช่แต่ว่า คนที่เขาไปโดนใจก็อาจจะบังคับใจไม่ให้กลัวอ๋อไอ้เจ้าแม่เลยตัดสายก็สั่งเรียบร้อยท่านกับลูกคนมาแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็นเลยบอกว่าต่อมาท่านก็มีโอกาสไปติดต่อสํานักพยายมได้ทุกเวลาครับถ้ท่านเออนุญาตแล้วก็ต่อมาท่านก็นเรียนวิชาต่ อ, อยุคคนจากนักพยาโยมอแล้วก็เรียนวิชาสา ม, มารถเรียกคนที่ตายไปแล้ว มาเข้าใครคนใดคนหนึ่งมันได้ทำประวัติต่างๆได้เลยโอแล้วเมื่อกี้ทำว่าไงอ่าวโอ้คนตายก็ถึงบ้านไม่ถึงบ้านเพราะนั่นคนตายก็ถึงบ้านแหละเพราท่านไม่เมื่อพูดกับไทรไม่กับใก็พูดด้วยแต่กามุ่งจะไปบ้านนี่ไหมโอ้แล้นก็แสดว่าเป็นเป็นเป็นไปได้นะเรื่องนี้นะไม่ใช่เป็นไม่ได้มันเป็นจริงๆโอเป็นไปแล้วนั่นนะเป็นไปแล้วแล้วก็เป็นทุกคนครับเอ๊ะตอนที่มันถึงแล้วเขาบอกว่า หลวงพ่อเคยตายตรงหลายครั้งหลายหนแล้วเคยคิดถึงใครหรือเปล่าหออลวงพ่อไม่เคยตายตอนตายเป็นเด็กเนี่ยมันจะเป็นองค์พ่อโอ้คนะอง ค, อ ค, อคอ์คนลนะคนละภาคนะคนละภาคภาคเด็กนะออตอนนั้นมันยังไม่ทันยีดถึงใครยกลับก่อนทุกทีออใช่ไหมกลับกเับนี่มีอะไรบ้ามีพระธาตุจะตั้งหน้าพระพุทธ หรือว่าจะตั้งข้างหลังหรือว่าจะตั้งข้างข้างหรือจะตั้งข้างไหนดีเอาเอานี้ดีกว่าข้างไหนหลายข้างอย่างนี้พระพุทธเนี่ยอาจารย์เนี่ยย่างช่างเขาเจาะขมอมเราเนี่ยใส่ไปในขมอมแล้วก็ปิดการเดิมรู้สึกว่าหาที่ตั้งไม่ได้เลยนี่ข้างข้างก็ไม่เหมาะใจข้างหลังก็ไม่เหมาะใจอะไรอ๋ออ๋อทั เจ้าครับโถ่ก็ตายนีเจ้าก็มบเห่าอย่างนี้เลยว่ะตรงใจอาชี่ไหนก็ได้แต่ไมด้ห้ามเราเเป็นที่บูชาได้นะเปล่เปรตเอาละเดี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยวใครเป็นเปรตตัดใจเลยก็เั้าดใช่ไหมัข้าข้าเข้าเข้าเขาเรียกเปรตเนี่ยตายโหแล้วจะไม่ก็พูดกับคนมันได้มาคุยกับเปรต อ่าวิกาเรดครับโอ้ข้าวิกะเป็นเป็นเป็เ็กเก็ดนี้เป็น เ, นเป็นป น, นิดเดียวอันนิดเดียวอ<า>่าน้นนนเต็มทีแล้วมันอยู่ตรงไหนนะตรงไหนเป็นเปรดอ๋อส่วนมากอยู่ตรงจิตออจิตเป็นเปรตาบทาบโอ้โหพอมาหากเดียดดเ๋ยวเดี๋ยวจิตลดจากเศษก็เป็นจิตเสือกายทราบลดจากสือกายก็จิตเป็นจิตหมาอ้าวแี้วจะไปขายไงอ๋อเอาว่าไปว่าไปไปน ก็เปรี้ยเกินนั่อสรรค์เปรี้ยเฮ้ยเฮ้ยร้ยเรื่องถว่าเปใช่ใช่ใช่ใเปรตอสุรกายเทวดาพลมและผู้ที่อยู่ในนิพพานนั้นมีลมหายใจหรือเปล่าครับและเขาอยู่กันยังไงยังไงยังไงเพราะว่าท่านพอะคนนี้ตายไปแล้วตั้งแต่นรกขึ้นไปที่นิพพานไม่มีปอด ถ้าจะมีลมหายใจต้อซื้อเครื่องปั๊มเป็นพิเศษ <c oughs> ไม่มีเพราะไม่มีทันหาเป็นน้ำมาทำเครื่อที่เป็นรูปก็รูปในน้ำเครื่องหนึ่งไม่มีจาระสองไม่มีปัสาวะสามไม่มีเลือดมีนั้นมไม่มีน้ำเหลืองไม่น้ำหนองไม่มีลหายใจอ๋อใช่ระว่าวันจะวะภายในไม่มีเหมือนเราเอ๊ะแล้วไปไหนมาไหนได้คล่องกว่าเพราไม่ทวงจาไส้ กันไสก็เพราะมาา้ามไตเขื่อนท่วงหนักน อ, อย่งเดิมไม่ไหวยาจ้าวกระฉันนั้นมันท่วงก็เป็นเร่องชุดใหญ่ไปไหนไม่เชยเหรออู่อ้ายอุ่นอ้ายนะฮะใช่ใช่อ๋อไม่มีแล้วก็บอกว่าเวลา เปลดอกสุรากายกินสาเลตน้ำเลือดน้ำหนองนี่เขากินกันแบบไหนเพราะว่าหลวงพ่อว่ามันมีปอดมีตับอ่ะเดีวส่อนฉันที่เคยเป็นเปลยไม่รู <c oughs> ้ใครตอบได้เ <c oughs> ร, รื่องตัวใครเรื่องตัวแม่คนที่ตอบได้คือคนที่เคยเปนมาก่อนใช่ใเอาใครเราสาตตอบได้บ้างม <c oughs> ีไหมไปไปก็ <c oughs> ไม่เปลี่ยนสินะคร่าวรา ไอ้ความจริงก็ไปอย่างนี้นะครับพวกนี้ไม่กินมัดถุอ๋อยังก็จะเล่าเรื่องบางตัวเรื่องไหครับจะไมที่ครูปังบุญชูที่อย่างทองใลตายอ๋อใช่ไหมคราบคราบเวลานั้นมีคนค่อยยาเทวดาสี่องค์มารับครูบุญชูรบขอเล่ารับไปเลยนะคราบคราบขณะที่เดินไประหว่างทางยังไม่ถึงขนากของพยายมก็ปรากฏว่าไปพบบ้านหลังหนึ่ง ไอ้ลูกกองข้างๆบ้านเขากทาเป็นสีฟ้าแล้วที่หลังบ้านออกมาตรงข้างทางเขาตั้งเครื่องสังเบยม์มีหัวหมูมีใบสีมีเป็ดทีไก่ก็ตามแต่ว่ามีเหล้าอีกด้วยออเป็นมันว่าชั้นน่ะสี่ท่านตั้งวงล้อมกองเลยเอยอะทั้งเหล้าทั้งหมูทั้งเป็ดทั้งไก่เสร็จแล้วก็ชวนคูณชูให้กินด้วย ครูชูก็เลยบอกว่าฉันไม่กินหรอกเพราะฉันไม่ชอบอิพการกนหนึ่งฉันก็ไม่หิวนะครับแล้วเมื่อเขากินเสร็จเรียบร้อยแล้วครูชูก็ถามว่าเขาทําอะไรพวกสี่<ะ>คนก็บอกว่า<ะ>บ้านนี้คนแก่คนหนึ่งเขาป่วยหนะัก<ะ>ที่เขาตั้งเครื่องซังเบอร์นี้ก็ต้องการจะต่อายุขอก็ให้ตายอแล้วครูชูก็ถามว่าแล้วเขาจะตายไหมแก<ๆ>บอกไม่สําเร็จในการขออีสองสัปดาห์จะมารับ<อ>แล้วครูชูก็ถามว่าทา่านกินเขาทําไม โอเอาเขาตั้งให้เขากิ น, นอ่ะแม่ยืนยันไม่รู้ให้เขากินเข้าก็กินแหละเออแต่ไม่ ย, ยืนยันมีตายก็ไม่ตายแต่พ้ากินขนาดที่แกยิงยังไม่ตายนะใช่ใช่แล้วลว่า <นะ S 2> อาการกินคงณจูบกมีสภาพเหมือนกับเขาเรากินเนี้ย<อ>ยกแก้วเหล้าขึ้นดื่มลื้งเก้วอามาดื่มไอ้กับแก้มทั้งหมดก็กินเหมือนกันเหมือนเรานะมีภาพเห็นแต่มันเป็นนามาทำพอเขาถอยหลังออกมาทั้งหมดเหล้าก็คงสภาพตามเดิม ไอห้หัวหมู ไ, ไก่ก็มีสภาพตามเดิมดันั้นพวกนี้กินเวลากินเค้ไนเนนน า, มนนามไม่ได้กินเนื้อกินนามกินน้ำไม่ได้กินลูกกินน้ำไปเลยใช่ไหมกินน้ำกินยังไงพร่อหมายความไอ้น้ำมาทำเนี่ยมันเป็นลูกขึ้นมาโอแล้วไม่ได้กินก้อนนั่นแหละโอ้ยแค่ไม่เปลือง <c oughs> นี่นะไม่เปลืงแต่นะความจริงแค่พวกเราเนี่กินได้แบบนั้นหมดนะใช่ซือหมูมาชิ้นเดียวตลอดชีวิต โอ้ประหยัดไปดเยอะเลยนะดีจริงๆตอนนี้หมูแพงเลยใช่อ่ามันปัญหาไม่เยอะนะอ๋อดีดีดีคนที่เกิดในชาตินี้ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็ตามติิงต่างสมมุติว่า <c oughs> สวาวยังสังฆทานหลวงพ่อซักหลายหลายครั้งเดี๋ยวเดียวเสวยแล้วทํำไมทาพ่อถวายสังฆทานหลวงพ่อเลยพ่ออะไรรับไป ใช่แกขยันใช่พ่อทำงานเขาไม่ไหวแล้วเข้ามาเลยพี่ติ๊งต่างสมมติว่าเรานะไอ้ติ๊งต่างนึกแด้ว่าอะไร